เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะมีประชาชนนะจำนวนไม่น้อยเลยเกตีสารตอนบนจำนวนนะเจ็ดหมื่นกว่าคนประกาศว่าเนี่ยจะงดเล้าเข้าพรรษาเนี่ยพรรษาปีนี้นะเขาจะพากันงดเล่านะตลอดพรรษาเลยนะเรื่องการงดเหล่าเข้าพรรษานี่มันก็จริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมไทยมานานแล้วนะ เพราะว่าช่วงา้าบพรรษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทศกาลสมรับพระสงฆ์ในการประจําพรรษาอย่างเดียวนะแต่ว่าคาราวาสเนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลาของการทําบุญหรือว่าพาชีวิตให้ใหเข้าหาธรรมบางก็ามาจําศีลตลอดพรรษาบางก็ามาจําศีลเฉพาะวันพระ ศีลที่ว่านี้ก็เหมือนศีลแแต่ว่าคนที่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะมีงานมีการเขาก็ตั้งความปรารถนาหรือว่าความตั้งใจนะว่าจะรักษาศีลให้ครบโดยเพราะเรื่องการงดเล่าเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้นี่คนไทยนะติดเล่ากันมากนะ แล้วก็สร้างปัญหามากมายให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไม่ใช่แค่ตัวเองเดียวบางทีก็เดื อ, อดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็บ่อยครั้งนะก็สร้างความเดื อ, อดร้อนให้กับคนที่ไม่รู้จักเช่นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เพราะว่าคนขับนี่เมาหมา่ นี่เป็นปัญหามากนะของสองังคมไทยเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาการที่มีคนตั้งใจนะเออเข้าบรรษานี่ฉันจะงดเล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่านุโมนนนามากนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีการโฆษณาเชิญชวนหลายรูปแบบให้คนอ่าเข้าหาเหล้านะหรือมีเหล้าเป็นที่พึ่ง เพื่อเข่าสังคมบ้างเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงมิตสหายบ้างเนี่หรือเพื่อดับทุกข์ดับความกลัดกลุ่มนึ่มันก็มีต้งโฆษณาแล้วก็คำเชิญชวนกลายเป็นท่านนิยมหรือหนักกว่านั้นก็คือว่าจะต้องเป็นแมนนะจะเท่ได้นี่มันต้องกินเหล้าต้องขอแข่งเนี้ย เอาไปแั้วเนี่ยการที่มีความคนจำนวนไม่น้อยมีความตั้งใจนะที่จะงดเลาให้ได้เนี่ยอย่างน้อยนะช่วงสามเดือนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่ามันช่วยลดความทุกข์ของไม่ใช่แค่เจ้าตัวอย่างเดียวฮนะลดความทุกข์ของครอบครัวพ่อแม่ลูกๆแล้วก็เพื่อนบ้านนะอาจจะรวมไปถึงพี่น้องด้วย แล้วก็หวังว่านะพอถึงวันเข้าบรรษาเนี่ยคนที่ประกาศตัวว่าจะงดเหล้าเนี่ยนะจะเพิ่มมากขึ้นกว่า น, นี้นะไม่ใช่แค่เจ็ดหมื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นเจ็ดแสนหรือเป็นล้านเลยยิ่งดีพูดถึงการเลิกเหล้าเนี่ยนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอุบายหลายอย่าง ที่ทำให้คนเลิกเล่าการใช้เทศกาลงานบุญนะหรือว่าละโอกาสพิเศษนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลอย่างเข้าพรรษานี่หลายคนก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะเลิกเล่าแต่นอกจากเทศกาลนะอย่างเช่น ง, งานบุญแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยอยอื่นด้วยนะ เช่นการเห็นคุณเห็นโทษนะเห็นคุณของการเลิกเหล้าเห็นโทษของการติดเหล้านะว่ามันจะพาไปสู่อะไรตอนนี้ก็การรณรงค์หลายอย่างก็เน้นตรงนี้มากขึ้นนะอย่างเช่นมีการโฆษณาว่ายาสูตราเป็นยาเสพติดสุดราทำให้เกิดโรคมะเร็งอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งทาให้เกิดโรคหลายอย่างอย่างที่มี ภาพที่น่ากลัวเนี่ยติดตามอาซองบุรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความยับยั้งชั่งใจแต่คนจะนวนไม่น้อยนะก็รู้นะว่าบุ ร, บรีหรือว่าเล่านี่มันมีโทษนะและถ้าเลิกได้นี่มันเป็นคุณมากเลยแต่ว่าเลิกไม่ได้นะอย่างที่เขาพูดวปเนี่ยดีช่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ อันนี้เป็นปัญหาของคนทั่วไปเลยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องเล่าเรื่องอื่นด้วยนะแม้กระทั่งรวมไปถึงการชอบนะชอบกระจายจนกระทั่งเป็นนีิเป็นศินมากมายก็รู้ว่าชอบไม่ดีนะแต่มันเลิกไม่ได้นะหรือว่าของหวานมันเค็มเนี่ยก็รู้ว่าไม่ดีนะแต่เลิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่การเห็นคุณเห็นโทษหรือแม้แต่ความกลัวเนี่ยสําหรับหลายคนมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะ หรือได้ผลโชคราวแต่ก็มีเหตุปัจจัยอีกอย่างอื่นนะที่ช่วยได้นะเช่นความรักความห่วงใยรักห่วงใยใครนะก็ลูกไงนะนะบางคนนี่สำเลยเท ม, มาลมากนะใช้ตูวใช้ชิชตแบบเลี้วแหลกนะบางทีก็ชอบทะเลาะบบาแวงตีลันฟันแทงกันแต่พอมีลูกนะเปลี่ยนไปเลยนะ ห้ามใจได้นะเพราะว่านึกถึงลูกอย่างเช่นถ้าเราอายุสั้นเนี่ยลูกก็คงจะลําบากใครจะเลี้ยงลูกหรือว่าถ้าเรากินเหล้าเมาไม้นะไม่มีเงินส่งเสียลูกให้เรียนบางทีไม่มีข้าวให้ลูกกินก็มีหรือว่าถ้าวรากินเหล้าเมาไม้แล้วเกิดขับรถชนคนตายหรือว่าตัวเองพิการเนี่ย ใครเดือดร้อนนะลูกเดือดร้อนก็มีหลายคนนะเลือกเล่าได้นี่ไม่ใช่เพราะเห็นโทษของเราอย่างที่โฆษณากันแต่เพราะว่าห่วงลูกรักลูกนะความรักความห่วงลูกนี่มันก็ทําให้หลายคนเกิดนะกำลังใจหักห้ามใจได้แล้วตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะเขาก็เชิญชวนนะนักเรียน ให้ไปขอร้องพ่อแม่ที่ติดเหล้านะว่าเลิกเหล้าเถอนนะเพื่อนูเพราะว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันนะพ่อแม่หลายคนได้สติเลยโอ้ลูกอุตส่าห์มาขอร้องในการที่ลูกเขารู้สึกเป็นทุกข์ที่พ่อแม่เนี่ยกินเหล้านี่ให้แค่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหรือความคิดแบบนี้มันก็ทําให้พ่อแม่หลายคนนะยอมเลิกเหล้า เพราะว่านึกถึงลูกไอ้ประโยชน์ส่วนตัวก็อยากได้นะแต่คนเราเนี่ยพอนึกถึงคนอื่นแล้วไอ้ความคิดที่จะทําตามกิเลสตัวเองมันก็น้อยลงหลายโรงเรียนนะเขาก็เชิญชวนเด็กๆนะให้ไปบอกพ่อบอกแม่หรือขอร้องเลยนะจะเรียกว่ากราบกลาเลยให้ให้ลูกให้พ่อแม่นี่เลิกเล่านะไม่ใช่เฉพาะช่วงค้าบวันสาเนี้ก็ปกฏว่า ไ, ได้ผลกันนะ อันนี้ก็ทําให้ลูกๆเนี่ยมีความสุขมีความภาคภูมิใจและมันก็ชี้เห็นนะว่าโรงเรียนเนี่ยนะจะสอนแค่นักเรียนให้มีความรู้อย่างได้ไม่พอนะหรือสอนให้ลูกมีพฤติกรรมมีคุณธรรมอย่างได้ไม่พอนะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมของเด็กด้วยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของเด็กเนี่ยอันหนึ่งก็คือพ่อแม่ครอบครัวหรือบ้านถ้าทําให้บ้านเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนจากนรกเป็นสวรค์นนะ มีสันติสุขนะเด็กตั้งเรียนนี่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีนะแล้วก็มีพัฒนาการทางอารมณ์ด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่ของครูนะไม่ใช่แค่ให้ความรู้ทางวิชาการแล้วก็พอใจที่ลูกได้พอใจที่นักเรียนได้คะแนนดีแต่เรื่องของคุณธรรมเรื่องของความสุขพัฒนาการทางอารมณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญ และสิ่งนี้มันก็เชื่อมโยงกับพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมของเด็กถ้าทำให้สิ่งแวดล้อมของเด็กนะมันดีมันเกื้อกูลนะเด็กก็มีพัฒนาการนะทั้งสติปัญญาและกอารมณ์เว่าแปั น, นั้นมันก็เป็นหน้าที่ของครูเหมือนกันนะของโรงเรียนนะที่จะช่วยทาให้พ่อแม่ของเด็กเนะี่ยหันมามีศีลมีธรรมนะหรือว่าลดละพฤติกรรมที่มันเสี่ยงอันตรายนะโดยเฉพาะการติดเหล้าเมายานะ